ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายตอนนี้เป็นตอนที่22ยี่สองของการหนีนรกถือว่าเป็นตอนพิเศษเป็นตอนนี้การปฏิบัติหนีนรกแบบง่ายและเบาหรือว่าเรียกวเยกว่าแบบชาว บ, บ้านชาว บ, บ้านตอนี่ตอนที่ยี่พูดถึงพุทธานุสติกรมฐาน การเจริญพุทธานุตตกรรมฐานนิบรรดาทานพุทธบริษัทที่ทำกัน nah, ต้องข้าไปนั่งสมาธิในป่าในเขาในที่คับแคบในที่อะไรต่ออะไรบ้างเนี่ยในที่เล่นลับในที่สงัดแต่ว่าเท่านชาวบ้านทางหลายชาวบ้านระดับไหนก็ตามมีเวลาน้อย อย่าหาเวลาว่างไปทำอย่างนั้นไม่ได้ถ้าอ่านํำราบแบบนั้นแล้วก็คิดว่าคนอย่างเราไม่มีโอกาสจะเริญพุทธานุสติกับเขาความจริงการตัดสงโยอ์ญญมีเฉพาะอนุสติเท่านั้นไม่มีกรรมฐานอื่นเจือปนอย่างนึกถึงพระพุทธเจ้าก็เป็นพุทธานุสติกรรมฐาน น, นึกถึงบรดามรมเป็นธรรมานุสติกรรมฐา น, น นึกถึงพระอริยสงฆ์เป็นสังคารอนุสติกรมฐานนึกถึงศีลและกำบทสิบเป็นศีลานอนุสติกรมฐานรวมความมาทั้งหมดอยู่แค่อนุสติอนุสตินี่ท่านแปลว่าตามนึกถึงตามนึกถึงเท่านั้นถ้าไม่ได้บอกว่าต้องไปนั่งสมาธิวันละกีจจ่ชั่วโมงถ้ากำลังใจเราเข้มข้นจริงๆท่านที่มีเวลามาก วิธีตามนึกถึงให้จิตเป็นใช้จิตเป็นสมาธิในพุทธานุตติกมาฐานมีวิธีทําง่ายๆนั่นก็คือใช้การบูชาพระพุทธรูปถ้าไหวอาหารเป็นการบูชาคุณพระพุทธเจ้าแต่เรามองไม่เห็นองค์พระพุทธเจ้าท่านอยู่ที่ไหนก็ใช้พระพุทธรูปที่บ้านนี่แหละถาวายท่านที่นั่น สำหรับของที่จะไหวพระพุทธรูปก็ไม่มีความจำเป็นต้องไปหาของที่มีราคาแพงอาหารที่ท่านบริโภคทุกวันนะมีอะไรบ้างใช้เฉพาะอย่างนั้นเอากัะ น, นั้นเพียงว่าก่อนที่จะบริโภคข้าวตักว่าก่อนที่เราจะตักกินแกงและกับน้ำพริกปลาผักต้มอะไรก็ตามไป ย, ย่างเท่าที่มีอยู่ เอามาก่อนที่เราจะจริงของนั้นร่วมความว่าเราไม่ถวายของเป็นเดียงกับท่านแล้วก็ปถวายข้างหน้าไปตั้งวันกันนาถ้ามีทุกก็จุดทุกไม่มีทุกก็ไม่ตั้งจุดกราบด้วยความเคารพนั่งมองพระพุทธรูปด้วยความเคารพจำภาพของตนไว้ตั้งใจว่านาโมสามจบ กล่าววาจาเป็นภาษาไทยก็ได้ว่าข้าพระพุทธเจ้าขอถวายข้าวระกับและน้ำแก่พระองค์แต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงทรงครับโปรดให้ข้าพระเจ้าเข้าถึงวิริพัฒน์ในชาตินี้เอาแค่นี้ก็พอคำว่าการเข้าถึงวิริพัฒน์เพระการถวายข้าพระพุทธรูปจะถือว่าเกินพอดีไหมก็ไม่ใช่ มันเป็นความดีที่ค่อยๆทำค่อยก้าวเข้าไปถ้าเราตั้งใจไว้เพื่อนิพานถ้าจะมีคําถามถามมาว่าหวังนิพานได้แน่นอนไหมก็ต้องตอบว่าหวังได้แน่ถ้าชาตินี้ไม่ได้ชาติหน้ามันก็ได้กําลังใจประเภทนี้ถ้าเราไม่ตกมรรคมันก็เจ้าสวรรค์ไม่พรมเจ้าพรหมนิพานไม่มีอะไรหนัก ถ้าถามว่าทำอย่างนี้เป็นพุทธานุตติกรรมทานหรือก็ต้องตอบว่าใช่แล้วก็ตรงด้วยต้อง่ายด้วยพุทธานุตติเป็นการนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์คําว่าเป็นอารมณ์ไม่ใช่ทุกลมไม่ใจเข้าออกมีจิตห่วงพระพุทธเจ้านึกถึงพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้ากับพระพุทธรูปตัวนั้นนึกถึงพระพุทธรูปเมื่อไรก็ถึงพระพุทธเจ้าเหมือนนั้น ตอนนี้จะเห็นว่าถ้าเราถวายท่านทุกวันจิตเราจะเริ่มเป็นห่วงท่าน <c oughs> ก่อนที่จะบริโภคอาหารในก่อนจะทำอาหารจิตก็จะคิดว่าวันนี้เราจะมีอะไรถวายพระพุทธเจ้บางทีวันนี้ถวายแล้วไม่ทันจะถึงวันพรุ่งนี้ก็นั่งคิดเดินไปบ้างทำงานบ้างอดคิดไม่ได้ ว่ากอาหารอย่างนี้มีพวกนี้เราจะนาถวายพระพุทธรูปอย่างนี้เป็นการนึกถึงพระพุทธเจ้าจริงๆตรงๆด้วยเป็นพุทธานุสติกรรมทานถ้าถวายข้าพระพุทธรูปแบบนี้จนชินถ้าวันไหนไม่มีโอกาสจะถวายท่านวันนั้นใจไม่ส บ, บายอย่างนี้ถือว่าจิตเป็นชาในพุทธานุสติกรรมทานรับรองว่าตายชาตินี้ไม่ลงนรกแน่ ต่อไปทำมานุสติกรรมฐานท่านยังไงทำมานุสติกรรมฐานทําได้หลายแบบแบบต้นก็คือว่าถาวายข้าวถาวายข้าวพระเจ้าเป็นพุทธานุสติกรมฐานเวลากลางคืนหรือกลางวันหรือตอนเช้าตามเวลาที่ว่างตั้งใจบูชาพระเรี่บูชาพระคือสวดมน เราเข้าไปถึงหน้าพระพุทธรูปเข้าไปแล้วเป็นพุท ธ, ธานุสติกรรมัฐานแล้วต่อไปก็เป็นธรรมานุสติกรรมฐานตั้งนโมสามจบด้วยความเคารพนโมนี่แปลว่าข้าพาเจ้าข อ, อนอ t น, อน้อมขึ้นนวสการองค์สมเด็จตุสัมมาทธเจ้าหรือว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระาราันพระองค์นั้นเป็นกล่าวคำสรรเสริญพระพุทธเจ้าแสดงความเคารพด้วยความจริงใจ ต่อมาบูชานึกอะไรได้บ้างถ้าว่าดฉดมนจริงๆไม่ได้ก็ว่าต่อไปเสียเล็กน้อยคือหนึ่งพุทธทางสนังกระฉามิในใจก็นึกว่าข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึงทำมังสนังกระฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นที่พึงสังขังสนังกระฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พึง ถ้าว่าทั้งสามอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นพุทธานุสติด้วยธรรมานุสติด้วยสังขานุสติด้วยพร้อมพร้อมไมหมดทั้งสามรา ก, การนี่ถ้ า, าหากว่าแล้ท่าถาสวดอิติปิโสได้ก็สวดอิติปิโสต่ออิติปิโสนี่เป็นการสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้ า, ค, าคุณพระธรรมคุณพระอริยสงฆ์โดยโตรงถ้าสวดด้วยความเคารพช่ายชาณึกในใจก็ได้ ถือว่าเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติโดยโตรงวงความนทั้งสามอนุสติได้ครบถ้วนบริบูรณ์ด้วยการที่เราบูชาพระก็ดีสวดมนต์ก็ดีถ้าวันไหนไม่ได้บูชาพระหรือไม่ได้สวดมนต์ตามที่พึงจะสวดได้ถ้าสวดไม่ได้จริงๆก็ยืนึกในใจหรือวาดออกปากก็ได้ว่าพุทธังสนงาาังกฉามิ ข้าพเจ้าขอถึงพระพุธทธเจ้าเป็นที่พึงธรรมังสนังกระฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นที่พึงสังขังสนังกระฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระอริยสงฆ์เป็นที่พึงถ้าถามว่าทําไมจํากัดพระอริยสงฆ์เพราะนักบวชจริงๆไว้ใจไม่ได้ที่ดีก็มีมากที่เลวก็ไม่น้อยถ้าพระอริยะนี่ท่านไม่เลว ท่านมีการก้าวหาความดีกรอบโกยความดีให้มากขึ้นถือว่ามีความดีส่วนเดียวก็ได้ถ้า จ, จิตใจนั้นท่านมีความห่วงในการสวดมนต์และอุชาพระถือว่ามีความมั่นคงคือมีฌานในศีลานุตในิในธรรมานุติก ร, รมฐานแล้วในเวลานี้มีแบบหนึ่งเขามีเทปธรรมเทพที่บันทึกเสียงเกี่ยวกับธรรมะ จะเป็นบรรสุทธธรรมะส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้ถ้าเราชอบใจเทปอันไหนธรรมะส่วนไหนที่เราหามันแล้วเราชอบหรือว่าสามารถบันทึกเสียงพระสวดมนต์ก็ได้เวลาที่ตัณานอนไปแล้วก็เปิดเทปฟังฟังด้วยความเคารพว่าฟังแล้วจะจบหรือไม่จบจะหลับหลับก็ช่างเถิดหลับเมื่อไรปล่อยไปอย่าไปฝืนอย่าไปฝืนใจ ถ้าฟังยังไม่ทันจบหลับดีก็ฟังไปฟองไปจิตเริ่มเป็นสมาธิแต่น้อยแต่น้อยมื่จิตรวมตัวถึงชายก็หลับในขณะที่หลับกี่ชั่วโมงก็ตามกว่าจะตื่นท่านถือว่าทรงชันนั้นอยู่ตลอดเวลาถ้าเป็นอย่างนี้ถือว่าท่านทรงชานในในในธรรมานุสติกรมฐ า, านแน่นอนก็ปฏิบัติไม่ยาก สำหรับพระสงฆ์วิธีปฏิบัติเป็นสงในสังคานุสติสังคานุตตินี่ให้เรานึกถึงพระสงฆ์มันก็ไม่แน่นอนนักเราอาจจะนึกได้แต่บางทีก็ลืมไปต้องสร้างความห่วงใยในพระสงฆ์ทำให้จิตเป็นห่วงเราเป็นคนห่วงพระสงฆ์ต่การห่วงนี้ต้องเสียทรัพย์สินบางแต่ไม่ต้องมากนัก <c oughs> ถ้าหากว่ามีพระมาบิณบัติถึงบ้านท่นานหรอท่านมีเวลาที่จะใส่บาตรได้ด้วยก็ไม่แน่นอนนะักบางคนมีเวลาน้อยเชา้าต้องรีบไปทํางานรอพระมาบิณบัติไม่ได้ยานี้ก็มีมากสมมุติว่าถ้ามีเวลาจะใส่บาตรให้เราตั้งใจใส่บาตรพระในตอนเชา้า อาหารที่ใส่จะมีกับข้าวหรือไม่มีกับก็ไม่สำคัญมีข้าวเฉยๆก็ใช้ได้จะใส่มากองหรือ น, น้อยองก็ใช้ได้ <c oughs> เป็นอรเรามีความรู้สึกคิดไว้ว่าเราจะใส่บาตรพระสงฆ์ไอ้จิตนี่มันก็เป็นห่วงวันนี้เรามีของใส่บาตรแล้วจิตก็คิดห่วงว่าพรุ่งนี้จะมีอะไรใส่บาตรบ้าง <c oughs> แล้วก็ตอนเช้าตื่นขึ้นมาถ้าแม่บ้านและพ่อครัวก็ต้องรีบหาอาหารให้ทันพระมาบิดาบาัดก็ตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจคอยว่าพระมาแล้วหรือยังเมื่อใส่บาตรไปแล้วก็อยอดคิดไม่ได้ว่าวันพรุ่งนี้เราจะมีอะไรใส่บาตรบ้างบางทีตอนกระวันและตอนเย็นยังไม่ถึงวันพรุ่งนี้นี่ เเรียมตัวว่าวันพวกนี้เราจะใส่บาตรใช้ข้าวอะไรใช้กลับอะไรนี้เป็นต้นจิตใจเราก็มีความกังวลในพระสงค์ว่าเราต้องใส่บาตรจะมาสงฆ์อย่างนี้เป็นสังคานุตติแน่นอนแล้วก็เป็นจาคารุตติกรรมฐานเป็นฐานการบริจาคด้วยได้นอานิสงส์สามอย่างแต่สมมติว่าเวลาที่เราจะใส่บาตรไม่ทันธุระมันมากไปตอนเช้า ถ้าเราเป็นคนมีข้าวเปลือ ก, าารกอะนะหรือข้าวสารก็ภาชนะปีบหรือถังอะไรก็ได้มาตั้งไว้หนึ่งลูกที่ใกล้ที่บูชาเมื่อคืนเวลาบูชาพระเสร็จก็ตักข้าวใส่ในถังหรือว่าในขันหรือว่าในโถอะไรก็ตามหรือข้าวเปือกหรือข้าวสารก็ตามมากก็ได้น้อยก็ได้ตามกํากลังถ้ามีน้อยจริงๆวันละหนึ่งจอกลอยหรือวันละหนึ่งถ้วยชายก็ได้ <c oughs> ทุกครั้งที่จะใส่เพื่อเป็นการยิงกระสุนนัดเดียวได้นกหลายตัวก็ว่าคาถาวิรัตโยงนุพ่ปานไปด้วยเนึ่งจเหีวยอว่าระถามหาลาบที่พิมแปะไปก็ได้จะดีมากคาถามาลาบทั้งหมดรวคาถาวิรัตโยด้วยว่าหลายจบ ก, ก็ได้ก่อนจะตักข้าวใส่ถัง เวลาสวดมนต์บูชาพระเสร็จสวดมนต์เสร็จม น, มนไม่ต้สวดมากนักก็บูชาตั้งใจนึกถึงพระพุทธเจ้า ว, ว่าดกระถาบทนั้นนึกถึงพระประเจพระพุทธเจ้าโดยสักเก้าจบหรือห้าจบหรือสามจบหรือเจ็ดจบตามเวลาเวลาที่ตักข้าวมายาใส่ในถังก็ว่าดหนึ่งจบอย่างนี้ทุกวัน ก็คิดแล้วว่าข้าวที่เราตักไว้นี้เราจะวถว้ถวายพระสงฆ์อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นสังขานุตติแน่นอนและก็เป็นจาคานุตติคิดจะให้เป็นทางการบริจาคโดยเสร็จได้สามอย่าง <c oughs> สี่อย่างที่การมีมีลาบมีผลถ้าบรรดาเจ้าพุทธศาสนิกชนไม่พอเรียกไม่ถนัดในการใส่ข้าวมันลาบาก ข้าวเนี่ยถ้าได้มากมากแล้วจึงบวถวายพระโดยการใส่ข่าวลำบากใช้เงินเถอะก็ได้เหมือนกันก็คิดว่าเงินจํานวนนี้เราจะนําไปถวายพระสงฆ์เป็นค่าปตาหารเนี่ยค่าก่อสร้างอะไรก็ตามท่านเถิดท่านจะใช้เป็นค่าปตาหารก็ได้ค่ายารดกษาโรคก็ได้ค่าพ่อผลที่สบายถ้าไม่มีจะใช้เท่กับื้อได้ ทำการก่อสร้างก็ได้ไปบำรุงพระธรรมก็ได้ตามใจท่านเราเอาหมดทุกอย่างแล้วก็เอาเงินใส่กระป๋องลงไปถามว่าใส่เท่าไรก็ต้องตามใจผู้ใส่ท่านมีมากท่านก็ใส่มากท่านมีน้อยท่านก็ใส่น้อยแต่การใส่อย่าให้ลาบากตนเองใส่เงินจะถือว่าต้องมากต้องทุ่มเทเท่านั้นเท่านี้อย่าเอาอย่างนั้น เอากันลราแค่เราห่วงพระสงฆ์ให้จิตใจนึกถึงพระสงฆ์ว่าเงินจำนวนนี้ทั้งหมดเราจะถวายพระสงฆ์แล้วก็ใส่ลงไปถ้ามันมีน้อยใส่หนึ่งสตังก็ได้สองสตังก็ได้ห้าสตังก็ได้หรือวันละสะลิงก็ได้วันละสองสลงวันละบาทก็ได้เท่าไรก็ได้จานวนที่ใส่นี่ไม่จากัดเราใส่ไว้เฉพาะ เฉพาะที่เราเราจะไม่ได้ร้อนและก็เราตั้งใจถวายเป็นเป็นสมบัติของประสงค์เพื่อใช้กิจการต่างๆตามที่กล่าวมาแล้วอย่างนี้ก็เป็นสังขานุสติสิทธนุสติด้วยเป็นจาคานุสติด้วยเป็นทางการบริจาคด้วยได้สามอย่างแล้วต่อไปถ้าสตังก็ไม่สะดวกเข้าสารหรือเข้าเปลือกก็ไม่สะดวก ท่านผู้รับฟังอย่าเพิ่งหัวเราะย อ, อ ก, กันนะ <c oughs> เรื่องข้าวทึกว่าไม่มีเลยนไม่ไม่จริงไม่ใช่อย่างนั้นจริงอาจจะมาตั้งศูนย์สงเคราะห์ที่ประบาทสมเด็หัวให้ตั้งขึ้นเมื่อพันศ .2501 เป็นต้นมาเคยพบหลายวาระที่หมู่บ้านหลายไลาหมู่ร่วมกัน ไม่ได้เห็นไม่ข้าวมาแล้วตั้งสองสามเดือนก็มีต้องคุณกินคุ้ยป่ามีโคเผื่อโคมันเอาข้าวไปแจกคนละถังดีใจกับตายรับน้าตาไหลมีผ้าผ่อนท้าสสบายก็ไปแจกมีอาหารไปแจกมียารักษาโรคไปแจกต้องแบกกลับบ้านกันบางท่านบอกน้าตาไหลดีใจนึกไปถึงถึงก็ออกปากเพราะว่าผมเนี่ยสองเดือนแล้วครับไม่เห็นไม่ข้าวเลย อย่างนี้มีไม่ใช่ไม่มีท่านที่บอกว่าจนจนยังมีเงินใช้ยังอาหารกินยังจนไม่จริงอย่างนั้นจนจริงๆในการกระทําแบบนี้การสร้างโรงเรียนในถิ่นทุนรกันดารก็ดีแจกเสื้อผ้านักเรียนในถิ่นทุนรกันดารก็ดีช่วยการเดินาอุปกรณ์การศึกษายก็ดีให้การสงเครืค่องบรจนก็นดีธรรม า, าัฐงปี 44,521 ก็ยังมีจดหมายหลายสิบฉบับบอกว่าทําไมดีแต่สร้างวัดไม่ไปช่วยอย่างนี้บ้างต้องขอประธานาภยธธธัยโทษท่านดีเขียนมาก็เคยมาวัดป้ายก็มองเห็นแลหนังสือที่แจกของไปช่วยสงเคราะห์เขาออกทุกปีแต่ท่านประเภทนี้ท่านมีตาเป็นทิพย์มองเห็นโลกทั้งหมดไม่เห็นหรอกต้องมองดูผีจึงเห็น ก็รวงความมาท่านประเภทนี้เป็นโรคประสาทเสียสัญญาวิประดิษฐ์จิตเป็นบ้าเขาทําแล้วก็ยังมองมาเห็นยักเตือนมาบางบางคนเขียนมาติดติกันเดินในฉบับบ้างมันใหญ่ความตามไทยสเสด็จญาตมายาวเหยียดแต่ไม่ลงที่อยู่ไม่ลงชื่ออย่างนี้เขาเรียกนังสือผีผีแล้วผีเขียนมาถ้าเป็นคนก็คนผีผีเขียนมายากคลายแล้วก็เลวทามมาก นี่เรพูดเรื่องธรรมะนะมาว่าจันี้จะสะดุดใจก็ได้จํากันไว้ถ้าจะทำอะไรก็ใช้ปัญญาพิจารณาเสี ก, ก่อนเพราะว่ากันว่กคนไม่มีข้าวจะใส่บาตรแม้แต่ถ้วยตะไลและถ้วยชาไม่มีมันไม่อยู่จะกินยังไม่มีเลยถ้าจนแบบนี้หาข้าวก็ยากทั้งในก็ยากก็อยากจะบูชาพระเป็นสังฆานุติกับเขาบ้างทํำยังไง เพราะประสงค์มีของให้วิธีนี้ไม่ยากบรรดาท่าพุทธบริษัทก็ทำกันแบบนี้คือปลูกมาพริ ก, กปลูกพริกสักต้นหนึ่งหรือมะเขือสักต้นหนึ่งทือฟักแฟลงแต่น้ำเต้าอะไรก็ได้ที่มันกินได้ความจริงท่านอาจจะปลูกหลายต้นก็ช่างเถอะตั้งใจไว้ต้นหรือสองต้นก็าตาม ว่าต้นและสองต้นจะประเภทไหนก็ตามไอ้ต้นและสองต้นนี้เราจะไม่กินไม่ใช้เองถ้ามีผลขึ้นมาเมื่อไรเราจะถวายพระสงฆ์ให้ท่านไปทำอาหารฉันกันที่วัดอย่างนี้เราจะเห็นต้นไม้ได้ทุกวันต้นประเภทนั้นเราเห็นทุกวันเราต้องรดน้ำเราต้องพลดินเราต้องใส่ปุ๋ยเน้นที่บางแห่งไม่ต้องใส่ปุ๋ย อย่างที่ดีๆแล้วนี่ไม่ต้องใส่ปุ๋ยเราก็เห็นทุกวันเห็นก็มาเมาอะไรก็คิดว่าต้นนี้ถ้ามีผลขึ้นมาเราไม่กินเราปลูกเพถวายพระเห็นทุกวันก็นึกว่าเราปลูกอถวายพระอย่างนี้เป็นสังคานุติกรรมฐานรวมความสังคานุติกรรมฐานให้ปฏิบัติตามที่แล้วมาถ้าวิธีปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึง่งบรรดาเทพุทธบริษัท ถ้าวันไหนไม่ได้ทําวันไหนไม่ได้คิดถึงวันนั้นใจไม่สบายต้องทำและต้องคิดถึงใจเยือสบายอย่างนี้เถี่ยมีชาในในในในสังขานุติกมามฐานตามที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดที่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามในนุสติถ้าว่าท่านทําเป็นไ ป, ปจำชาตินี้โลนมารุกไม่ได้ ถ้าถามตอบจะถามบอกว่าก็ทาบาปไ่เยอะทำไมจะลงนรกไม่ได้ก็ดูตัวอย่างสุปฏิทิตาที่ประมุขท่านคนนี้ท่านทำบาปยิ่งกว่าเรามากวันดีไม่ละวันพระไม่เว้นไม่เคยยกมือไหว้ใครไม่แต่พระแล้วไม่ยอมฟังเทศไม่ยอมใส่บาตรไม่ยอมทาบุญนึประการทั้งปวง แต่พอก่อนจะตายนึกถึงพระเจ้าให้มาช่วยเหลือหน่อยเดียวเท่านั้นตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ท่านดาวประเด็นเทวโลกได้ฟังเทศเจ า, จากพระเจ้าจบเดียวในสมัยที่เป็นเทวดาได้ประสดาบันคนนี้ท่านลงมาเกิดไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วพุ่งลงอเวจีไปเลยแล้วก็รบคุกขมท่านเป็นหมดประวัติมีอยู่แล้วก็ไม่ต้องเล่าต่อ กรวงความว่าทำอย่างนี้ได้ทุกคนท่านยับยั้งนรกในชาตินี้ได้แน่นอนตายคราวนี้ไม่ลงนรกแต่ว่าจะเอาทุกชาติยังไม่ได้เพราะยังไม่ครบเอาทุกชาติต้องส่งศินและกำหนดสิบให้บริสุทธิ์แต่กำลังใจพอแค่สินห้าก็แค่สินห้าถ้าครคกกำหนดสิบได้ก็ครบเลยอตาตมาคิดว่าครบเลยดีกว่ากิเป็นสุขและมีความแน่นอน ก็รจะตอบว่าถ้าหากว่ามันมีมันควบมันปฏิบัติในศีลไม่ถนัดไม่มีพระจะสมาทานศีลไม่รู้จะขอศีลจากพระที่ไหนบ้านอยู่ไกลความจริงเรื่องศีลนิมินดาท่านพุทธบริษัทไม่ต้องอาศัยพระเลยก็พระของท่านมีอยู่แล้วที่บ้านคือพระพุทธรูปและในใจของท่านก็มีพระและวั้งสามองค์คือพระพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ ที่ท น, นึกถึงอยู่ทุกวันเนหักแน่นอนที่สุดพระที่มีลมให้ใจเขาออกต่ไม่แน่บางทีข้างนอกเป็นพระข้างในเป็นเปรตก็ได้ข้างนอกเป็นพระข้างในเป็นสัตว์ในรกก็ได้ข้างนอกเป็นพระข้างในเป็นสัตวติชัยก็ได้ข้างนอกเป็นพระข้างในเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นคนก็ได้ข้างนอกเป็นพระข้างในเป็นเทวดารือพรงก็ได้ บางท่านข้างนอกเป็นพระข้างในก็เป็นพระคือเป็นพระอเดียเจ้ามันไม่แน่นักเอาให้แน่นอนจริงๆก็คือพระในใจของท่า น, ใ, นใจของท่านเวลาสมาทานก็สมาทานนึกถึงพระพุทธรูปที่บ้านของท่านศีลไม่มีแค่ศีลจริงๆไม่มีแค่สมาทานศีลอยู่ที่ตัวเว้นไม่ต้องสมาทานเลยก็ได้ เอาตั้งใจเว้นจริงๆว่าเราจะไม่ฆ่าสัตว์เราจะไม่ลักทรัพย์เราจะไม่ไปพติผิดในกรรมเราจะไม่พูดมุสาวาดไม่พูดคําหยาบไม่พูดยโยงส่งเสัยเขาแตกเล่ากันไม่พูดวาจาที่ไร้ประโยชน์ไม่เดื่มสุราเดือมอะไรไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลใดมาเป็นสมบัติเป็นสมบัติของตัวโดยไม่ชอบธรรมไม่คิดจองล้างจองผลาญทําร้ายบุคคลอื่น เราจะมีความเห็นถูกคือเชื่อพระพุทธเจ้าแน่นอนแล้วปฏิบัติตามธรรมคําสั่งสอนของพระองค์โดยเฉพาะอย่างยิงย่งในสินห้าเด็กกมบทสิบเอาวงแคบแคบเท่านี้ก่อนเพียงเท่านี้แล้วท่านทําได้เจียงสินมีก็ท่านแล้วไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลเนื่องว่าการถึงคนที่มีความจําเป็นต้องทําบาปก็มีญาติโยมพระทวีสัตว์มากท่าน ที่มาเจริญระกรรมฐานที่วัดทําได้ดีด้วยสามารถได้ทิพยกุ ญ, ญา์ไปเที่ยวสวรรค์ได้ไปเที่ยวพุทธโลกได้ไปเที่ยวนิพานได้แล้นิพานเขา้าไปเที่ยวไม่ได้ไเรื่องคนนั้นคนใดยังหนานแน่นด้วยกิเลสคนนั้นไปเที่ยวไม่ไดนิพานนิพานเวลาที่จะไปต้องอารมใจสะอาดอย่างน้อยเวลานั้นใจจิตสะอาดเข้าประโสงดาวันจึงเข้าเขตนิพานได้ เอาจะพบเวลาที่เขาทากันก็เหมือนกับว่าแว่นตาที่เราใส่เวลาไหนมาสกับบกมันก็มองไม่เห็นเวลาไหนเราขัดสะอาดแล้วก็มองเห็นชัดสําหรับบรรดาธรรมวิบริษัทที่จะเริยกรรมฐานก็กเหมือนกันเวลาไหนจิตสะอาดที่สุดเวลานั้นไปถึงเขติพัานา์ได้กลับลงมามาสกับบกใหมน่นั่นเรื่องธรรมดาของจิต เวลาจะไปใช้เวลาเล็กน้อยนิดนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงสะอาดเวลานั้นแล้วก็ไปได้ใหม่ น, นี่ิพพานน่ยไปได้ไม่เป็นไรก็รวมความว่าการปฏิบัติของเราบรรดาเทมพุทธบริษัททั้งหลายถ้าคนตั้งใจจะทําความดีตัดสัญชาณทางสารประการแตามันตัดไม่ออกอาชีพจําเป็นยิ่งถึงเช่ น, นทํานาทําไร่เป็นต้นต้องใช้ยาฆ่ า, มาแมลง บางคนก็มีความจนบังคับต้องฆ่าสัยค่าปลาหาเลี้ยงชีพอย่างนี้ก็ยังสมาทานฉีดได้เวลาใดที่จำเป็นต้องทำอย่างนั้นก็ทำไนการประกอบอาชีพมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่เคยตาหนิใครเวลาใดที่เลิกจากกิจนั้นทำใจสบายลืมอารมณ์นันเสียและปฏิบัติทุกอย่างตามนกามาแล้วทั้งหมด คิดว่าตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปถึงเวลาท่านั้นเราจะไม่ละเมิดเด็ขาดแล้วก็ลืมบาปที่ทํามาแล้วถพระย้ดีที่สุดเวลาบูชาพระนสมนเสร็จ ต, ตอนนั้นเราทิศสงศ์ให้กับบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ข้ามมาแล้วว่าขอให้เธอจงมาโมทนารับผลกุศลเช่นเดียวกับเราตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและขอเธอทั้งหลายจงอโหสิกรรมให้แกเราทั้ง ตั้งแต่วันนี้ไปจงกว่าจะเข้าวั น, นิพพานเท่านี้ธรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านถ้าทําทุกวันกําลังใจจะเบาและอย่าลืมเมื่อเวลาใส่ข่าหรือใส่สตังหรือจ่าของอยังจะปลูกต้นไม้ได้ปลู ก, ลกมาเขือพิกถวายพระสงฆ์เวลาลดน้ํำสดวิาทยอแล้วก็ถามมหาลาบโดยทำอย่างนี้เป็นปกติไม่ชาเล้งกายหาผักข้าปลาค่าสัตว์จะไม่มีกับท่าน เพราะอะไรเพราะทรัพย์สิงของท่านมันมากพออยู่พอที่จะเว้นไม่ต้องทำอย่างนั้นสามารถจะประกอบอาชีพทรงตัวในแบบสบายๆอา บ, บรนดาแทนพุทธบริษัททหลายต้องพูดเร็วหน่อยเพราะเรื่องยาวเวลาน้อยกายรปฏิบัติแบบเบาๆอย่างนี้แตมาข อ, อยืนยันกับบรหดาแทนพุทธบริษัทถ้าทําประจําทุกวันท่านจะมีผลตามจีกล่ารมาแล้วอรหันดาสาวกขอ้อองสมเด็จพระปฐิบเจ่า รีบพูดเกือบตายก็ยังเกือบจะไม่คอกเวลาแต่เวลามันหมดแสแลนิบันดาเป็นพุทธบริษัทก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิภาพัฒนาบมงคลสมบูรณ์ผลผลยงมีแด บ, บันดาเป็นพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี